สัตยะเป็นอนุสัยทั้งในขั้นแรกเริ่มทั้งขั้นปลายสุดถ้าวิสัยนี่แหละที่ยิ่งยิ่งขึ้นหนักจัดสูงส่งมากแล้วจะใช้ศัพท์เรียกขานกันว่าอนุัยอีกทีก็หมายความว่าความเป็นตนเองที่มีความเป็นอนุหรืออนุหรืออนูออนคือน้อยเล็กน้อย และอนุสัยนี้ก้าวหน้าถึงขั้นปรมาณูอะตอมซึ่งแปลว่าเล็กยิ่งยิ่งขั้นยอดความเป็นปรมาณูที่ชาวโลกิยะไปใช้ในทางเลวร้ายนั้นมันก็ร้ายเลวกันอย่างที่สังคมโลกเห็นกันอยู่แล้วซึ่งแตกต่างจากปรมาณูของชาวโลกุตระ อย่างตรงกันข้ามทีเดียวความเป็นอนุหรืออนุขั้นปรมานูของโรกุตระจึงพิเศษสุดยิ่งเป็นอนุสัยขั้นปรมานูก็ยิ่งสุดวิเศษยอดประเสริฐยิ่งมีประโยชน์ต่อคนในสังคมอย่างสุดประมาณทีเดียว ความวิเศษยอดประเสริฐสุดประมาณของโรคกุตระธรรมนี้จะขยายความในโอกาสต่อจากนี้ไปตอนนี้พูดถึงอนุัสแรกเริ่มกันก่อนอ่านต่อๆไปเถิดก็จะขยายต่อไปเองอนุัยแรกเริ่มนานคือพลังงานแรกเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างไม่เป็นตัวถ้าเป็นชีวะ ก็แค่ขั้นเซลล์ปฐมภูมิไพรมาริเซลเป็นเซลล์ที่หนึ่งเซลล์เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นพลังงานขั้นวิญญาณขั้นอนุสัยในช่องว่างคับพะนิชที่เล็กมากขั้นแรกคือกระละที่เกาะอยู่ในมดลูกเป็นต้นเ้าวแห่งการเกิดและต้องติดอยู่เกาะอาศัยอาหารจากที่นี้เท่านั้น ยังไม่เป็นอิสระในตนเองยังอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอยู่ตนเองยังลอยไปไหนโดยอิสระในตัวเองไม่ได้อนุสัยนี้จึงไม่สามารถมีความร้ายความแรงอะไรกับใครได้ไม่ว่าจะเป็นพีชนิยามหรือจิตนิยามก็มีภาวะของเชื้อชีวะ ที่มีพลังงานแรกเริ่มที่มีภาวะเชื้อชีวะแต่ละชนิดซึ่งยังไม่เป็นตัวตนเซลล์มีแค่พลังงานยังไม่เป็นธรรมะสองเลยนี่คือประทัดตูปชีวีที่ชาวพุทธทุกวันนี้หลงผิดเชื้อชีวะที่ยังอาจจะไม่ได้เป็นชีวะต่อไปก็ได้ แต่ผู้ที่หลงผิดเพี้ยนภาวะเรียกว่าปราทะตูปชีวีนี้ไปเป็นตัวตนของความเป็นสัตว์ที่มีองค์คาพยพประกอบกันมากกว่าหนึ่งเซลล์พรายบริเซลนี้ไปจึงหลงผิดและผ่านวิปลาสจึงเป็นความวิปลาสที่หมดทางที่จะเรียนรู้ปฏิบัติถึงนิพพานชะนี้คือ อนุสัยที่เริ่มต้นแรกสุดและอนุสัยขั้นต้นนี้ก็จะเป็นอาศัยอวิชาก่อนนิสัยไปจนกระทั่งเกิดวิสัยและสูงสุดก็เป็นอนุสัยขั้นปลายที่สุดร้ายสุดเร็วมหามหาันจนได้อนุสัยจึงเป็นได้ทั้งขั้นต้นแรกและเป็นได้ทั้งขั้นปลายสุด เป็นได้ทั้งเรวร้ายและเป็นได้ทั้งดีวิเศษ